จะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลาเนาหลายคนก็จุดมุ่งหมายปลายทางคือกรุงเทพซึ่งก็ใจเดียวกับคนอีกหลายหมื่นหลายแสนคนนะที่จะเข้ากรุงเทพเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอรถติดเลยนะรถติดยาวเลยสงสัยนะ ต, นะตั้งแต่นอนอ่า ลำตะคองเลยมั้งอันนี้คาดดาวเอาแจงดีนะเมื่อแต่ก่อนนี้ติดตั้งแต่ด่านคุนทศเลยเพราะว่าถนนนี้แค่สองเลนนะเลนนี้ขยายแล้วก็ไปติดอ่าก็คงี้งงไปติดที่ลำตะคองหรือว่าแก่งคอยแทนถ้าเจอรถติดนะก็รักษาใจนะอย่าให้จิตตกท่องคาถาไว้นะรถติดจิตไม่ตกนะ เราสามาทิที่นี่นะแล้วก็ได้มาได้เรียนรู้ได้มาฝึกปลือนะจิตใจของตัวแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาไปใช้นะทันทีเลยเอาไปใช้ทันทีที่จริงก็ควรใช้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะัว่าเลวลาเราเดินไปตักอาหารเนี่ยก็ให้มีสติรู้ตัว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 นั่นหละคือเวลาภาวนาแต่ว่าก็แต่ยังไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าเรากินข้าวก็อย่างมากครึ่งชั่วโมงที่จริงเรามีเวลาภาวนามากกว่านั้นนะตอนรถติดไงรถติดเป็นชั่วโมงนะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนนะโดยเพราะในกรุงเทพให้เตือนใจว่านั่นแหละนะได้เวลาภาวนาแล้วและจำเป็นด้วยเวลาภาวนาที่เหมาะที่สุดก็คือเวลาที่เรามีความทุกข์ นะเพราะว่าภาวนานั่นแหละจะช่วยให้เราออกจากทุกข์ได้และพื้นฐานของการภาวนาคือกลับมาดูใจนะรถติดยาวนะก็กลับมาดูใจนะรถติดแต่ว่าจิตมันโล่งเนี่ยทำทำได้นะอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยนะมันติดมันขัดนะทันทีที่เห็นนะรถนี่นั่นขนัด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 รถตินี่เราก็ยังอยู่สบายนะในรถก็มีแอร์เย็นชำ่ำแล้วก็นั่งเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรบางทีก็ฟังเพลงไปด้วยมันจะทุกข์ยังไงนะมันจะทุกข์ไปทำไมนะแต่ที่เราทุกข์า็ใจนะใจวางไว้ไม่ถูกใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังว่าจะต้องถนนโลง่งหรือว่าจะต้องถึงที่หมายก่อนค่ำแล้วเราก็ยึดติด ก, กับ ความคาดหวังหรือความอยากกันนั้นพอความจริงไม่ตรงความอยากเราทุกข์เลยและคิดแต่จะไปกลบบนดาความจริงที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้มองเห็นความอยากความคาดหวังในใจเรานะซึ่งนั่นแหละคือตัวปัญหานั่นแหละคือสาเหตุที่แท้จริงนะคนเราทุกวันนี้ไปคิดแต่ไปแก้ข้างนอกนะพยายามไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความเป็นจริงให้มันถูกใจเรา แต่ไม่คิดที่จะปรับใจเราให้มันถูกต้องสอดคล้องความเป็นจริงเอารถติดก็ไม่เป็นไรคอยได้นะมันธรรมดาหรือว่าถึงแม้จะมองว่ามันเป็นปัญหาก็าเป็นปัญหาน้อยกว่าที่เราต้องเจอในวันข้างใ น, ในเยอะนะเช่นเจ็บป่วยสูญนะเสียของรักพัดพลาจากคนรักงนะานประสบอุปสรรครรมา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 มันโปรงมันโล่ง น, นะผ่านตลอดนะผ่านตลอดนี่หมายถึงอารมณ์ต่างๆนี่มันผ่านตลอดถึงแม้ตัวเรายังติดนะยังออยู่บนท้องถนนคาอยู่ตรงนั้นแหละนะแต่ว่าอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในจิตใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจมันก็ผ่านตลอดนะฝึกเอาไว้นะลองมองซะว่าเออรถติดนี่มีข้อดีอย่างไรบ้าง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 รถติดมันทำให้เสียเวลานะแต่ว่าไม่ังเป็นต้องนะเสียสติหรือเสียอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยนะเสียแต่เวลานะแต่อย่าให้เสียสติเสียอารมณ์เราทำกันได้เพราะว่าเราเห็นว่าโ อ, อ้รถติดมันก็มีข้อดีนะมันทำให้เราได้ฝึกจิตนะได้เจริญสติได้หันมาดูใจ ว่าเราจะทำให้ใจโล่งหรือปล่อยวางเมื่ อ, อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรนะหรือใช้โอกาสนี้ในการน ะ, จะเจริญสติทำสมาธินะครึ่งนื้ไปนะระหว่างที่ติดงกดอยู่บนถนนนะบางคนถนัดตามลมหายใจก็ตามลมหายใจไปกลายเป็นว่าได้เวลาภาวนาเพิ่มขึ้นอีกนะไม่ใช่ภาวนา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 ให้มองเห็นข้อดีนะนะของรถติดบ้างรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆนะที่มันรอเราอยู่ข้างหน้าหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นนะผู้ชายคนนึงนะแกถามลูกขณะที่รถติดนะติดยาวเลยนะติดนานในที่กรุงเทพนะแกถามลูกว่ารถติดมีข้อดีอยังไงบ้างแกใช้โอกาสนี้ในการพูดคุย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 รถติดมีปีะยชนยังไงนะลูกคิดสักพักก็ตอบว่าก็ดีตรงที่พ่อหันมาคุยกับลูกไงล่ะพอถ้ารถไม่ติดพ่อก็เอาแต่มองไปข้างหน้านะไม่สนใจคนในรถนะพอรถติดพ่อทำอะไรไม่ได้พ่อก็เลยนะชวนลูกคุยเรียกว่าสร้างสัมพันธ์หรือว่าเป็นการเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้นั่นแฟนมากขึ้นเพราะธรรมดาในะสมัยนี้นะ พ่อแม่ลูกไม่ค่อยมีเวลาคุยกันนะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันต้องรีบตื่นแต่เช้าแต่พอเราติดแล้วก็โจวการนี่แหละมาพูดคุยกันนะใช้เวลาที่ติดอยู่ในรถให้เกิดประโยชน์เนะชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นหรือว่าทําให้เราเป็นมิตรกับตัวเองได้มากขึ้นนะด้วยการหันกลับมาอยู่ กับลมหายใจหันอยู่ความรู้สึกตัวพลิกมือไปพลิกมือมาครึ่งนิ้วไปนะ เ, ออเวลาเห็นไฟแดงนะก็อย่าหุดหงิดขัดใจนะให้ลองมองว่ามันกําลังเตือนเราว่าให้หยุดฟุ้งซ่านได้แล้วนะให้หยุดใจลอยให้หยุดส่งจิตออกนอกให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือวิธีของผู้มีปัญญานะที่รู้จักใช้ประโยชน์นะจากทุกอย่างแต่ไม่ต้องเริ่มต้นจากการที่กลับมาดูใจนะ นะอย่าไปมัวแต่มองไปข้างนอกเมื่อวานนี้ก็มีนะคนโทรศัพท์มาคนะั่แล้วนะเดี๋ยวนี้มีก็มีคนนะมีปัญหาเลยก็มาปรึกษาขอความช่วยจากอรตา ม, มาอยู่เลยเมื่อวานนี้ก็มีชายหนุนะ่มเขียนมาถามว่าคนรักทิ้งไปแล้วจะทำยังไงดีนะแกอายุเพิ่งสิบห้าสิบหกเองนะ เคร๋นี้ใครมีปัญหาแล้วก็ต้องมาถามอาตมานะตกงานบ้างแล้วเจ็บป่วยบ้างล่ะแฟนทิ้งบ้างและหลายนี้ก็เหมือนกันนะปัญหาคืออะไรก็กาลังจะนอนอยู่แล้วมีเสียงไอ้อวัยวัยในบ้านที่อยู่รอกๆข้างก็อยู่บ้านจัดสรรมีขโมยเข้ามาหาไม่หาตัวไม่เจอจะตกใจก็กลัวกนเลยโทรมาหาตมา พอกว่าควรโทรไปหา191ไม่โทรมาต้อมานะก็ต่อว่าเข้าไปนะั้นดูเหน่อนหน่อย น, น, นะว่าเนี่ยไม่รู้จักเป็นระ่ำ เ, เวลานะมันก็สองทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วนะแล้วก็ควรจะโทรนะไปที่คนที่เขาเกี่ยวข้องกลัวนะอย่างตกใจเดี๋ยวนี้ใครมีปัญหาแล้วก็นึกึงแต่เขาภาษาอย่างเดียวก็นะเลยแล้วก็บอกเขาไปว่าเนะี่ย ให้มาดูใจตัวให้กลับมาดูใจให้ตกใจอย่าลืมตัวนะให้กลับมาดูใจไอ้โจรข้างนอกนี่นะมันมันน่ากลัวน้อยกว่าโจรข้างในนะไอ้โจรข้างในนี่คือความกลัวความโกรธนะพูดนี้แหละเนี่ยมันน่ากลัวกว่าไอนะ้โจรข้างนอกนี่บางทีอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะนะก็ลือๆกันไปนะโจรข้างนอกเนี่ยนะแต่ว่า ปล่อยให้โจรข้างในเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจเราและพอไม่รู้เท่าทันโจนข้างในเนาะก็นอนไม่หลับเครียดนะบางคนความดันขึ้นดนะีเวลาเกิดพายุฝนฟ้าขนองนี่หลายคนนะตกใจจนช็อกก็มีทนะั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกับบ้านเรื่องของตัวแต่ว่าตัวเองอะเรียบร้อยไปแล้วนี่เพราะปล่อยให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 นอกจากช่วยให้กลับมาดูใจนะนี่แล้วนะถ้าคนเรานี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักมาดูใจ น, ะนั่นเองมันก็จะก็จะมีความหลงนะความไม่รู้ตัวแบบนี้นะแต่ก็ยังดีนะไม่เกิดปัญหามากนอกจากความกลัวความโกรธอ่าความทุกข์นะแต่บางคนอาจจะทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงกว่านั้นนะโดยเว่าถ้าเป็นความโกรธนะแล้วก็นะอย่าลืมนะกลับไปเอาไปฝึกนะเวลา เจอรถติดก็อย่าให้จิตตกนะให้ถือว่ า, าให้มาดูใจของเราไปนะรถมันจะติดยังไงใจเราโล่งใจเราโปร่งนะแล้วก็จะได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเตรียมรับพรที่ติดตังปฏิตังตุมพังคอยอธาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเี่บาเมวาสมิชชโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกัปป อความดําริทางพวงจองเต็มที่จันโทปนรารโซโยทาเหมือนพระจัจทร์ในวันเพมนมณีโชติรโซยทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิทยวิวาชนตุหวานจรนไรทั้งพวงจองบำราชไปสาพโรโพวินัสตูโรคทั้ง่วงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันตรารโยอันตรารยามีแก่ท่านสุขีธิขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืออนอามีวาธนาสีลสนิจางุฏาปจายโนจัตตาโรธา ม, มาวทันติอายุวันโนสุพังภะหลังต้าสีภาการืออายุวันณาสุขาภะลา ยอมเจริญกับบุพภพมีปกติไหยกราบมีปกติอ่อน น, อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดพาวตุวสาพพมงางพลังพอสาพพหมองควจงมีแก่ท่านรักคันตุสาพาเทวตาพอราเทวดาทั้งวนจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สามพาธรรมานุพาเวนด้วยอนุพาแห่งพระธรรมสามพาสังฆานุพาเวนด้วยอนุพาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิวาวนตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงอมมีแก่ท่านตูมือเทิน